อธรรมะกรรมมทวาทสกะว่าด้วยอุเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ไม่ชอบธรรมบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือหนึ่งลงลับหลังสองลงโดยไม่สอบถาม 3. ไม่ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดี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 และระงับไม่ดีคือหนึ่งลงลับหลังสองลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุคเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาภประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดี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 เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินันและระงับไม่ดีคือ 1. ไม่ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวิไนและระงับไม่ดี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 อธรรมะกรมมทวาทสกันในอุเขปณียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ